เรื่องวิกิตกาลทางวัฒนธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยมณริสวัสดีพัฒนมงคลความสงอบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาจุกทุกประการจนบังเกินมีแด่ญาโยมพุทธบริษัท เพื่อนร่วมพุทธศาสนาตลอดทั้งพรรษาทูชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ไฟผลใฝ่คุณสมทางหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคน อ, อกตัญมีเชิงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวทำมิคถ า, าปาตกรถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแลว้ว ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งออกตังก้งใจฟังกันให้ดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ศาสนาเสืบต่อไปตามสมควรในเวลาอันจะพึงมีในวันนี้ทำ <c oughs> มิจฉาที่จะนำมากราวในวันนี้ ขอพูดในหัวข้อว่าวิกฤตการทางวัฒนธรรมใช้คว่าวิกฤตการทางวัฒนธรรมซึ่งท่านต่างหลายจะต้องฟังกันอย่างใช้ความคิดพิมพิจารณาวัฒนธรรมวัฒนธรรมคำนี้ก็คือ ทำคือผลของการกระทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากความป่าเถื่อนมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าทางวัตถุมันก็เจริญรุ่งเรืองแต่าทางจิตใจมันก็สงบเยือกเย็นมีวัฒนาการมาจากความเร่าร้อนแห่งจิตใจความละเหะรอรนความัดกุ้มตึงเคียด มาสู่ความสงบเรือกเจนแห่งจิตใจเรียกว่าวัฒนธรรมทางจิตและจากความสาเทินจากความไม่เจริญมาสู่ความเจริญเรื่องเรืองทางวัตถุทางเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ก็คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมทั้งทางฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจ รวมการความเจริญทางวัตถุและจิตใจนี่เรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนวัฒโนวัฒนาคือความเจริญรุ่งเรืองสว่างสวยสงบเยือกเย็นแต่ทุกวันนี้มันเกิดวิจิตการคือมันเจริญรุ่งเรืองแต่ทางวัตถุแต่มันร่าร้อนทางจิตใจ มันก็เลยไม่สมมดตนกันเกิดวิกฤตการทางวัฒนธรรมสมัยโบราณนู้นไม่เจริญรุ่งเรืองแต่สงบร่มเย็ น, นทางด้านจิตใจสมัยก่อนได้ทางจิตใจแต่ทางกายก็ยัง ขาดแทนยังทุกข์ยากลำบากน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างหนทางไม่ดีความมานาขมไม่สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้ทีนี้พอมาถึงยุคปัจจุบันนี้มันจะเจริญเหมือนกับจะแถ่งเทวดาบนสวรรค์มีอยู่มีกินอย่างสะดวกปานนิดทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผู้ที่มีเงินมีทอง ทมกเลยมีการเกิดวิกิตการไม่สมดุลกันขึ้นมาในการพัฒนาสังสมวัฒนธรรมเราเน้งขึ้นมาจึงเกิดวิกิตการการเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีโดยไม่คำหนึ่งไม่เลวแหลถึงศิลธรรมคือการพัฒนาวัฒนธรรมทางจิตใจเลย มันก็เป็นปัญหา <c oughs> เป็นปัญหาดังกล่าแล้วไม่สมดุลกันมันเกิดความผิดพลาดโดยมากนั้นเ <c oughs> พราะเราชี้ละกันเน้นย้ำกันแต่ในแง่นนที่ว่าพัฒนาทางวัตถุทางเทคโนโลยีมุ่งความเจริญกันทางวัตถุ การขยายตัวความเจริญเติบโตด้านปริมาณและการเพิ่มพูนของตัวเลขด้วยการพัฒนาที่เน้นหนักด้านเศรษฐกิจโดยให้วิทยาศาสตร์และทเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพถึงเจ้าบทบาทเป็นพระเอกในโลกคือปัจจุบันโดยพผู้รู้ในประเทศที่พัฒนาแล้วและองค์ตามของโลกคือสหประชาชาติ ทวันนี้เรื่อกาหนักถึงความผิดพลาดและผลร้ายของการพัฒนาแบบนั้นว่าแม้จะประสบความสำเร็จมีคุณค่าเป็นประโยชน์แก้ปัญหาให้แก่มนุษย์ได้มากมายก็จริงอยู่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาไม่จากการพัฒนานั้นมันก็มีความร้ายแรงเป็นอันมากจนกระทั่ำให้รู้สึกกันว่าความเจริญนั้นได้มาถึงจุดที่ติดตันแล้ว ถ้าคืดําเนินความเจริญทางวัตถุกันต่อไปในทิศทางนั้น <c oughs> มนุษย์ชาติก็อาจจะถึงกับประสบความพินาศสูญสิ้นไปก็ได้การโดยสรุปในเวลาที่จำกัดที่มีอยู่นี้เขาขอกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในข บ, บวนการแห่งการพัฒนาของวัฒนธรรมทั้งทางวัตถุและทางด้านจิตใจที่ผ่านผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าในวงกว้างที่สุดนั่นก็คือทางด้านธรรมชาติแวดล้อมการพัฒนาในยุคผ่านมาได้สร้างมาลภาวะขึ้นเป็นอันมากก็ให้เกิดภาวะดินเสียน้ำเสียอากาศเสียทรัพยากรร่อยร้อป่าถูกทำลายทั้งโดยมนุษย์ตัดโค่นเองแล้วกันโดยธรรมชาติอันเป็นพิษที่เรียกว่ามาลพิษพืชและสัตว์สูญพันธ์ไปปีละนับเป็นพันพันชนิดดินพังชั้นของอากาศ โอโซเลเยอร์ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศกำลังพังทลายจากมลพิษแตะสารเคมต่างๆทั้งหมดนั้นก็คือผลของการพัฒนาที่เรียกวัฒนธรรมที่มนุษย์ได้ใช้มันสมองคิดค้นอะไรต่ออะไรขึ้นมาสะดวกสบายแข่งขันกับเทวดาดังกล่าวแล้วจนกลายเป็นการเบียดเบียนดุญยภาพพองธรรมชาติแม่น้าภูเขา อากาศเป็นพิษดินเป็นพิษน้ำเสียปลูก อ, อะไรขึ้นมาก็ไม่งามเอาน้ำที่มีอยู่รถเข้าไปก็จะตายซ้ํเอาไปเอามาฝนตกลงมาจากฟ้าที่เรียก ว, ว่าบอลลิสุดจากฟ้าจากสวรรค์ก็กินกันไม่ได้เพราะน้ำนี้พิษทั้งหมดนั่นมันเกิดจากอากาศไปเยะขึ้นมาซะก่อนทรัพยากรทั้งหลายรอยล้อป่าทั้งหลายถูกทาลายจากคนทางและจากพิษ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจนกลายเป็นเมฆเป็นฝนที่อันตรายเป็นอย่างนี้อันตรายทางธรรมชาติมนุษย์ก็ยังไม่รู้สึกตัวก็ยังพากันพยายามที่จะปอโกยกันให้มากทางตาให้มากทำอะไรให้มากๆเพื่อจะได้ไปซื้อเอาสิ่งที่เรียกว่าวัตถุมาบำเลอตอเองทีนี เมื่อมันเป็นอย่างนี้ทางด้านสังคมก็เกิดปัญหากันตึงเครียดตรึงเครียดจนสั่นเสียวปัญหาสังคมมากขึ้นมีการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกดขี่กวามเหงมือใครยาวสาวได้สาวเอาแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่ ก, กันทพกสวาดแย่งอํานาจกันเป็นใหญ่เป็นโตวความรุนแรงเพิ่มขึ้นช่องวางทางเศรษฐกิจและสังคม ข, ขายายกว้างขึ้นคนจนมากขึ้นจนมากขึ้นคนรวย รวยมากขึ้นเจิงเจอช่องบางที่กว้างจนเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับเทวดาและสัตว์เดลชานที่มันห่างไกกันนู่นนะีระหว่างคนรวยกับคนจนความยากจนแรงแค้นแก้ไม่ตกตามมาปัญหายาวชนซึ่งเอาอย่างผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่ผู้มากมากมาก็ลบมาก โก่อปวยทางวัตถุแล้วก็แสดงความโอ้อาฟุ้มเฟื่อยทางวัตถุแสวงหาการมรมทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสขยายอายุตะนครเซฟชั้นให้เด็กๆทั้งหลายเขาได้เห็นเจอปัญหายาวชนขึ้นชนิดที่เทวดาก็แก้ ก, กันไม่ได้แต่ก่อนยาวชนไม่มีปัญหามาก อายุสิบสองสิบสามปีแก้ผ้าอาบน้ําด้วยกันได้ยังไม่มีความรู้สึกเป็นผู้หญิงผู้ชายเดียวนี่อายุห้าหกปีเจะตีมันจะเป็นผัวเป็นเมียกันเพราะมันเห็นผู้ใหญ่ทําให้มันดูก็เกิดปัญหายาวชนเกิดอาบายยามุก ค, ความเสื่อมจากศีละธรรมอาชญากรรมปัญหายาเสพติดคือคนต้องการเสพสุขทางวัตถุก็ต้องหาอะไรมาปนเปื้อมาบําเรอ จากทางตามมารมจากยาเสพติดกินน้อยอร่อยมากๆอินนา น, น, านกัญชายาสินเฮโร อ, อีนองเขาวโคเคนอะไรต่างๆตลอดต่ำลงมาถึงกาวถึงทินเนอร์ซึ่งเป็นยาเป็นกาวปะรถธรรมดากลายเป็นยาเสพติดช น, นิดใหม่ที่มีอันตรายแก่เยาวชนในชนบทและในเมืองรลวงทุกวันนี้ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มระหว่างประเทศเกิดสงครามใหญ่ๆเกิดขึ้นทั่วไปโดยเฉพาะกําลังมีความวาดปวดต่วสอสงครามนิวเคลียร์สงครามเคมีในขอบเคที่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาในตัวมนุษย์ในชีวิตของมนุษย์เราเองก็ประกอว่ามีปัญหาเพิ่มขึ้นทั้งทางกายและทางจิตนี่คือผลของวัฒนธรรมที่มันพัฒนามาแต่ทางวัตถุโดยลืมทางด้านจิตใจทางด้านศิลปธรรมทางศาสนา ในทางกายมีโรคร้ายแรงที่เกิดจากสภาพจิตใจเสื่อมโซมบ้างจิตใจเสื่อมโทมแล้วกําลังกายที่มันไรกำลังใจมันก็ไปไม่ได้ไกลใจเป็นนายกายเป็นเป่าเมื่อนนายปัมปเปลเปิซะแล้วคนใช้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมันก็เปไปด้วยกันสภาพจิตใจเสื่อมโทมนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดโรคทางกายเกิดจากธรรมชาติแวดล้อม เป็นพิษมันก็ทำให้ทางตายเกิดโรคจนตลอดไปจนถึงเต่ากุ้งหอยปูปลานในน้ำเป็นบาดเป็นแผลเบลอว่าตายไ ป, ไปเกิดจากสารเคมีบ้างนี่ทางตายมันจะมีโรคมังเกิดมาจากจิตใจเสื่อมนี่อันหนึ่งที่พุทธเจ้าวันโรกบางชานิดเกิดมาจากดีเป็นสมุธฐานจากเสมาเป็นสมุนธะเป็นสมุธฐานเกิดมาจากการกระทนั้น ก็เกิดมาจากธรรมชาติแวดล้อมเป็นพิษบางเกิดมาจากสารเคมีบางซึ่งมนุษย์ผลิตขึ้นมาเองเกิดมาจากความวิปริตทางสังคมเช่นความผิดเพี้ยนทางศีลธรรมและวัฒนธรรมบางดังจะเห็นได้จากโรคทุกวันนี้คือโรคหัวใจได้เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษในประเทศที่พัฒนาแล้ว โรคมะเร็งโรคตับอักเสบโรคตับด่านตับแข็งเพรอกินเหล้ามากโรคใบไม้ในตับเพราะกินด้วยความโลดจะไปกินแข่งสัตว์กินสุกๆบุบ่อแทบจะมากินเด็บมันจะได้กินไวๆอร่อยไวๆข้าควายลงมาตัวหนึ่งหมด่าโค้งไปเลยอย่างนี้มันก็เกิดโรคใบไม้ในตรงในตับนอกจากนั้นยังมีโรคแพ้อาตตลอดเจนโรคเอกเพราะความสัส่อนทางเพศยิ่งกว่าตับเดลฉาน ไม่เลือกแต่ไหกันทางนั่นนี่ท้งโลกทางกายนะทุวันทางด้านจิตใจก็มีปัญหามากมาจิตใจของคนทุกวันนี้ประเทศไหนที่พัฒนามากประเทศนั้นเป็นคนมี <c oughs> จิตใจมีโรคจิตมากและก็ไหลาตายมากที่เรียกว่าออกกุลิบโอหรือที่เรียกว่าไหลาตายไหลาตาย ประเทศญี่ปุ่นมาอันดับหนึ่งไหลตายก่อนเขาประเทศอเมริกาประเทศทางยุโรปจริญมากก่อนญี่ปุ่นก็ต้องไหลตายก่อนญี่ปุ่นที่ภาษาอังกฤษว่าปอกุริบายส่วนประเทศญี่ปุ่นตามมาดนนี้จะเริ่นกว่าเมือเมริกาก็เกิดโรคโคราชิคือไหลตายตายกระทันหันตายเครียดประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ความเป็นนิคประกาศความเป็นนิกนิวรลอินดัสเทรีคันที เรียกว่าอุตสาหกรําใหม่อุตสาหกรรมใหม่เป็นประเทศที่พัฒนาออกภงงาทออกมาในยานเอเชียอีกประเทศนึงอุตสาหกรํมใหม่ก็เริ่มไหลาตายใหม่ๆมากขึ้นไหลาตายแล้วยังไม่พอโรค ก, กลัวไหลาตายยิ่งมากขึ้นแต่ไม่ไม่เคยกลัวโรคที่เมาเหล้าตายหรือโรคที่เกิดมาจากมลพิษนี่ส่วนมากมัมคือโรคของจิตใจนั่นเองนั่นแหละ ใจิตใจคนในประเทศที่พัฒนามีความร้อนร้อนกระวนกระวายแม้วัตถุจะพรั่งพร้อมคับข้างหลังไหลแต่ใจิตใจเขาก็ ว, าว้าวเวเร้าร้อนเดียวดายไม่มีความสุขบางเกิดความเหงาความว้าวเวความรู้สึกแปลกแยกแม้เจริญมากโรคจิตก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจํานวนคนฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วจานวนคนฆ่าตัวตายจะเพิ่มสูงขึ้น เริ่มสูงขึ้นนี่ถ้เรามาพิจารณาทบทวนวิถีทางของการพัฒนาของวัฒนธรรมที่ผ่านมาก็จะมามองเห็นว่ากระบวนการที่พัฒนามานั้นมันขาดแผนองค์ประกอบหรือปัจจัยอะไรไปอย่างไดอย่างปัจจัยอะไรขาดหายไปในกระบวนการพัฒนาเราทั้งหลายก็มาเริ่มคิดต่างประเทศต่างๆในโลกก็เริ่มคิด เริ่มมองเห็นความสำคัญของปัจเัยที่จะต้องนำเข้ามาร่วมในขบวนการพัฒนาด้วยกันเพื่อจะให้การพัฒนาของมนุษย์นั้นรลีพ้นจากความผิดพลาดและการทำให้การพัฒนาได้ผลสมบูรณ์ตามบรรทุกประสงค์ที่นี้สำหรับองค์การโลกสหประชาชาติหรือประเทศใดๆก็ตามใดพิจารณา สู่ข้อยุติคือการมองเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่มีต่อความหมายกว้างขวางซึ่งขาดไปถูกลเลยทอดทิ้งถูกมองข้ามไปไม่ถูกนำเข้ามารวมในกระบวนการพัฒนาอ้อคือวัฒนธรรมซึ่งทำให้มีมติกำหนดทัศวัตโลกเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมขึ้นมาเห็นไหมละ่ะ มันไปไม่รอดดอกมันจะไปถึงไหนถ้ามันไม่เอาศาสนาเอาสิ่งเอาธรรมกับเคินมาเดี๋ยวนี้ฝรั่งร้องกันเพลรกขันชลันไข่รีสันเชลันไข่ซี ส, เ, สเกิบวิกฤตการทางวัฒนธรรมในประเทศไทยเรายังไม่รู้สึกตัวแต่ดนี้เริ่มแล้วเรียกร้องหาแผ่นดินทมแผ่นดินทองเอาแหลกเเนี่ยเมื่อปีที่แล้วจังหวัดสกลนครของเราที่ผ่านมานั้น ในหอมระดมกระพือข่าวเว้งงานแผ่นดินทำแผ่นดินทองท่านประลัดจังหวัดเมื่อย้ายไปแล้วก็ซบเซาเบาบางลงไปนโยบายนี้ก็เริ่มสางสาลงไปมันก็เหมือนฝฟยไม่ฟังการพัฒนาเพื่อแผ่นดินทำแผ่นดินทองนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อฝัน ที่พอเราทํากันเข้ามามันก็ได้ผลทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองข้าราชการพระสงองค์เจ้าร่วมแรงร่วมกันใจกันพัฒนาทั้งทางวัตถุและจิตใจนั่นแหละเรียกว่าแผ่นดินทรแผ่นดินทองแผ่นดินทำพัฒนาจิตใจแผ่นดินทองนั้นพัฒนาวัตถุแต่ปรากฏว่ามันทำแล้วมันหอมกระพือฮือไปเหมือนกับไฟไม่ฟังแล้มันก็เลิก พอหันไปดูโมบ้านเป็นดินทามเป็นดินทองที่ได้ยกป้ายขึ้นมาหรือกว่ามันดีมันงามขึ้นมาแล้วนะมันก็มีปัญหา ม, มีปัญหาอย่างไรก็คือมันมีปัญหาในการไม่ประสานกลมเกินกันครั้งแรงเมื่อเวลาอบรมเนียมมีอุทมคติสูงเลิกเหล่าเลิกบุรีเลิกยาเสพติดอะไรต่ออะไรเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมใจมากพอคนเรานี่เป็น เป็นเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่พัฒนาศักยภาพตนเองได้จากความเป็นมนุษย์เป็นถึงเทวดาหรือมากกว่านั้นจนไปถึงแม้แต่เทวดาอินทม์ก็ต้องยอมรับก้มเสียงกราบไหวชนิดที่เรียกว่าวิชาจรณญสัมปันโนโซเโทเทวมนุษย์สาพูดถึงพร้อมด้วยความรู้และการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามย่อมประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองขึ้นไปจนถึงกับให้เทวดากราบไหวก็ยังได้แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์นี่ก็สามารถที่จะทําให้จิตใจตนเองนี่ต่ําซ้ำยิ่งกว่าสัตว์เดราาัจฉานเร็ว้ายยิ่งกว่าสัตว์เดราาัจฉานเพราะฉรื่องการพัฒนาชุมชนของมนุษย์เนี่ยก็ดีมันขาดฟิลขาดทำไปไม่ได้ที่นี่จะอาศัยให้พระพัฒนาอย่างเดียวมาโยนกองให้พระมันก็เป็นไปไม่ได้เลยมันจะต้องแอบเองอาศัยซึ่งกันและกัน เราจะเห็นได้ตลอดการมาว่าได้อาศัยซึ่งกันและกันประเทศชาติบ้านเมืองได้เสริสมซ้ำลงไปสถาปนาซุดเสริมลงไปเนี่ยพระที่ดีๆมีจํานวนน้อยๆเนี่ยไม่สามารถที่จะกอบกู้สถานภาพนั้นได้ต้องอาศัยชาวบ้านสั้งขยานาห้าครั้งที่ผ่านมานั้นต้องอาศัยพระเจ้าแผ่นดินอาศัยอํานาจรัฐเข้ามาช่วยมาคุมครองบ้านเมืองเราก็เหมือนกันอย่างใดก็อย่างนั้นนี่วัฒนธรรมมันก็เกิดวิกฤตการณ์ วิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมแม้แต่เมืองฝาหลังเขาก็ถึงทุกขอดตันสะประชาชาติก็อยอมซะแล้วบอกว่าต้องนําวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมบทบาทในการพัฒนาโลกมนุษย์ต่อไปมิฉะนั้นมนุษย์นี่แหละจะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์เพราะการทําลายล้างกันเองเพราะจิตใจที่ขาดแผนด้วยวัฒนธรรมด้วยศิลป์ด้วยธรรมนักวิทยาศาสตร์เอกอย่าง birth, ek, อันเบิร์ตไอสไตรแกก็ยังพูดว่า the v e r s of the future depend on More t a n strength and pain on more t a n force โลกชะตากรรมของโลกในอนาคตมันจะอยู่รอดได้ด้วยความอำนาจความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของศีลธรรมของอารยธรรมวัฒนธรรมเราเนี่ยเพราะฉะนั้นหมู่บ้านเป็นดินทำเป็นดินทองเมื่อเราได้อบรมกันขึ้นมาหมู่บ้านหนั่ ง, งแล้วรู้สึกว่ามีคนที่มีอุดมการณ์คนที่เคยกินเหล้าวนา้ำคนที่เคย สู่ปัญชายาฝิ่นเคยเล่นไฮโลเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่กลับบ้านลูกเมียแทบจะผูกคอตายปิมยานตนออกเลิกร้องห่มร้องไห้ยินดีบางคนสำนึกผิดต่อ บ, บนคุนพ่อแม่แต่เสร็จแล้วไม่นานนักปีหนึ่งผ่านไปกลับไปดูบ้านเป็นดินทมเป็นดินทองใหม่เถิดที่นี่เสร็จเข้าสูสสภาพเดิมเพราะธรรมดาจิตใจของคนเรามันเหมือนกับน้ำมันง่ายที่จะไหลลงไปโสเบื้องต่า จิตใจมันง่ายที่จะไหลไปสู่ความชั่วตามอารมณ์ของตนเองตามจิตตามใจของตนเองมันฟื้นกระแสทวนกระแสนี้ถ้าไม่มีการกระตุ้นการปลุกเราอาศัยสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพชุมชนภายนอกและสภาพเป็นอยู่ภายนอกรอทั้งการปลุกเราสภาพจิตใจภายในให้ซึกเฮิมในการประพฤติปฏิบัติขึ้นมามันยึงย่งจะเจริญก้าวหน้าไปได้คืออาศัยพัฒนาภายนอก คือสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่ชุมชนต้องมาพัฒนาสาภาพจิตใจภายในประสานเชื่อมโยงกันออกไปที่นี้มันเกิดวิกฤตการ์อย่างนี้วิกฤตการ์ทางวัฒนธรรมเรียกว่าเอาไม่อยู่โกไม่กลับพอได้เป็นเบง น, นิดเดียวก็ไปอีกแล้วระบบภายนอกเราจะมาสอนให้ชาวบ้านพึ่งตนเองได้มาสอนให้ชาวบ้านพัฒนาตนเองพึ่งตนเองได้ในขณะเดียวกันรับ จะต้องเข้าใจคือจะต้องจัดสภาพแวดล้อมภายนอกให้เอื้ออํานวยต่อการที่เขาจะพัฒนาตนเองเดี๋ยวนี้หมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองเฮิมก็คือกกันขึ้นพระก็ทํางานกันแทบตายองค์ที่ทํางานสหกราชการที่ทํางานกับแผ่นดินทำแผ่นดินทองที่มีอุดมการก็ <c oughs> ทํากันเกือบแทบล้มประดาดตาย แต่มีอีกจำนวนมากก็ก็ทำลายจัดสภาพแวดล้อมเป็นดูให้เป็นพิษเกิดมะะภาวะเป็นพิษทางด้านจิตใจให้แก่เขาให้พระสองฆ์องค์เจ้าหอมกระพือกันนำให้ประชาชนเลิกละลดอาบายามุกอย่างนี้ก็ทำได้ชั่วประเดี๋ยวประเดาก็ตอบเืินู่สภาพดำในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ขยายลงเล่าออกมาหลายจังหวัดประมู ก, กันเอาขยาย ออร์เดอรี่ออกมาหลายฉบับเพิ่มขึ้นมาเป็นหลายล้านฉบับหนักหนาเข้านี่อีกอีกหน่อยจะต้องออร์เดอรี่ทุกทกสัปดาห์หรือไม่พออาจจะทุกๆวันไม่ทันใจอย่างนี้ลองเล่าลองเบียโนกจกนั้นสภาพแวดล้อมพวกหนังพวกละครอะไรต่างๆมีใครควบคุมสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใจิตใจของมวลคน มันเป็นไปไม่ได้เลยการที่เราจะมาพัฒนาปลา ส, ส้อยปลาซิวให้มันดีมันงามเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่บริหารประเทศชาติบ้านเมืองหัวหน้าของคนทั้งหลายนั้นยังไม่เอาด้วยอย่างนี้ที่นี่เรามาดูความสมดุลทางวัฒนธรรมนั้นมันไม่สมดุลกันเลยทาง่าราชการทางรัฐอะไรต่างๆมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทีนี่พอพระเราจะมาเรียก ชี้มากกว่าพระเรียกกันเรียกว่าไม่กลับแล้วทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะมาโทษใครเราโทษใครไม่ได้เลยเราต้องโทษระบบของเราทั้งหมดเนี่ยการที่จะให้คนสามารถพึ่งพาอาศัยอ่าตนเองได้มันก็ต้องทําให้คนรู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและแต่ละคนได้แอบอิงอาศัยกันไปมันก็จะพึ่งตนเองได้เหมือนกับในร่างกายอวัยวะของเรามีแขนมีค้ามี ปาไม่จะโม ก, การเคี้ยวอาหารถ้าอาศัยมือจับข้าวใส่ปากปาเคี้ยวก็วอาศัยลิ้นหนิดดุนอาหารเข้าไปสู่ฟันฟันก็เคี้ยวแล้วอาศัยอืมลิ้นกระเดือกตื้นตรงไปอะไรพวกนี้เมันไม่ใช่ว่ามันจะโดดๆอยูดด่คนเดียวการจะพึ่งตนเองไม่เลยพึ่งคนอื่นเลยนะมันก็สุดตรงอย่างเดียวการที่จะพึ่งคนอื่นมันก็สุดตรงไปเป็นฟาเลเป็นฟาไลเป็นไฟจากถ้วจับไปมันจะต้อง พึ่งตนเองแอบเองอาศัยพึ่งพาคนอื่นคนอื่นก็ได้แอบเองอาศัยพึ่งพาซึ่งเราอย่างนี้องค์กรแห่งการพัฒนาในสังคมก็เหมือนกันรัฐก็อาศัยทางศาสนาศาสน า, าก็ต้องอาศัยรัฐเดี๋ยวนี้จะโยนกองมาให้ทางศาสนาพระทรงองค์เจ้าทําไมไม่พัฒนาเอาแล้วทีนี้พัฒนาได้อย่างไร พระมีน้อยผีมีมากสภาพแวดล้อมเป็นพิษแก่จิตแก่ใจเยาวะชนของเราจะเอาเวลาไหนมาฟังพระเพราะนังเอ่ยละครเอยวิทยุทีวีอะไรต่างๆเกมต่างๆโอ้ยมาสติวมีเลยอิมูชั่นเลยเต็ทีนี้เราอีกประการหนึ่ ง, งก็จะจะพูดยอมบอว่าเราได้ปล่อยเลยมาไกลเราปล่อยเลยมายาวนานพอนึกขึ้นมาได้ปุ๊บปั๊บจะมาหักโหมกันทันทีไม่ได้ ไม่ได้ถ้าเราไม่พัฒนาอย่างละเอียดพิจารณาถึงสาเหตุถึงปัจจัยกันอย่างอย่างละเอียดอย่างทีกิบเลยแล้วเอามาประสานกลมเกินในการพัฒนาให้ถูกต้องรัฐจะต้องมองให้ซึ่งาศาสนาประสานกลมเ ก, กินกันกับรัฐช่วยกันทางรัฐจัดสภาพแวดล้อมชุมชนภายนอกจัดสภาพแวดล้อมความเป็นโยภาพายนอกให้เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาภายในคือเิ่งใ จ, ใจ ทางพระสองฆ์องค์าการทางศาสนาจัดสภาพเวทล้อมภายในพัดธนาจิตใจให้ไปประสานรับกับภายนอกคือทางความเป็นโยคภายนอกซึ่งทางรัฐได้จัดไว้ให้อย่างดีอย่างงามอย่างถูกต้องมันก็จะดีงามแต่เดี๋ยวนี้ยังพู้กันไม่รู้เรื่องไปคนละทิศคนละทางกันถึงกันเหนื่อยเปล่ามันกำหมดสิ้นพลังงานเหมือนแก๊สรวมเมืองโบปานเดี๋ยวนี้อาตมารู้สึกเหนื่อยมากที่จะต้องไปเทศนาไปสั่งสรรคในขณะเดียวกัน งานเล็กๆงานน้อยๆบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญไกล บ, บุญสโองสลาบุญปั่นเขาจีโว้ยไฟไม่เทียงนาะควายออกลูกกั ม, มานิมนต์อาจารย์สมภพไปเทศเทศกันตั้งแต่กลางพื้นดินจันลงหนังจันห้องแอร์ไม่มีอะไรจะดีขึ้นเท่าไหร่บางทีบุญกระทินเล็กๆก็เอาเราไปเป็นเครื่องประดับให้ไปเทศเพศก็จะฟังนังก็จะดู เอาแล้วบุญก็จะเอาเล่าก็จะกินคนฟังเทศก็มีคนมายืนด่าอยู่ข้างๆก็มีเมื่อไรจะจบสักทีเทศมากอยากจะดูหนังอะไรต่างๆเหล่านี้เนืน่องๆไปก็สงสารตนเองไปในตัวโอ้ถ้าพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมาอยู่ๆพระองค์มาเห็นก็ต้องสั่นพัสเสียนสั่นหัวว่าจะมาเทศทําไม่กลางตลาดให้เขามายืนดา่าเปล่าๆอย่งนี้ทั้งเสียงรถเสียงลาเสียงเพลงเสียงลาเสียงขับเสียงละครอุย้ยสารพัดอย่าง แต่เราลูกสิทธิ์ชั้นป่าแถวนี้อาถานแท้ๆไปเทศอยู่กลางตลาดให้เขายืนด่าเล่นสบายๆให้หนังใหญ่มาเปิดสตริงทึมดึมๆึมเนื้อสมเพศเวทนาการทำงานตนเองก็เหมือนแก๊ตรั่วที่เมืองโบปานนั่นเอที่นีเมื่อเป็นอย่างเนี้ยวัฒนธรรมมันก็ได้วิกฤตการไปซะแล้วเราจะมาเอาคืนได้อย่างรวดเร็วให้เขาจดอะไรด่งง่ายๆเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยมันจะตายสก่อนผู้ที่ทางาน ที่นี่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มันมีทางเป็นไปได้ถา้าหากร่วมแรงร่วมใจกันทั้งฝ่ายรัฐและาศาสนายกตัวอย่างแน่ว่าสมัยก่อนนั้นสภาพแวดล้อมอยังไม่ผิดอย่างนี้ทางบ้านทางเมืองก็อบอุ่นใจอาศัยทางศาสนาใหอบรมศิลธรรมให้แก่ประชาชนพัฒนาวัฒนธรรมทางด้านจิตใจให้แก่ประชาชนยิ่งไปกว่า น, นั้นในสมัยบราณ พระเจ้าจแผ่นดินสมัยก่อนราชาที่ปไตยพระองค์ใกล้ชิดศาสนารู้จักพระธรรมคําสั่งสอนของศาสนาอย่างใกล้ชิดเคียงบ่าเคียงไหลกันเลยรู้จักภาษาทางวัดรู้จักการกระทํากิจกรรมประเพณีอะไรต่างๆของวัดวาศาสนาซึ่งมันเพิดกับสมัยนี้สมัยราชาที่ปฏิไทนั้นรัก็ให้ชิดกับศาสนามากกว่าสมัยนี้ห่างกันไกลไม่เห็นฝุ่นเลย แล้วก็พัฒนาประสานกลมเกินกันมาแล้วมันก็เป็นโชคดลยคือสมัยนั้นบ้านเมืองยังไม่เจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ไม่มีสิ่งที่จะมาเซมิเลอิโมชันมาปกเราอารมณ์จิตใจคนให้ไร้หลงให้แตกหักเพพังอย่างทุกวันนี้จิตใจคนอย่างสงบอย่างเยือกเย็นยังมีสินมีธรรมยังมตตาปานีมีความเห็นแก่ตัวน้อยอาหารการกินอะไรเอ่ยในป่านในดง ก็อุดมสมบูรณ์คนก็ไม่มากไม่แย่งกันกินไม่แย่งทินกันอยู่ไม่แย่งขู่กันพิศวาสไม่แย่งอํำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อจะไปออบโอยเก็บกั้มเอาวัตถุในสังคมในโลกนี้มากๆแข่งเทวดาไม่เป็นอย่างนั้นต่อไมค์กได้มาต่อไม่ได้ซื้อได้ขายกันมีอะไรก็แบ่งกันอยู่กันกินไปอยู่กันฉันพี่ฉันน้องการเป็นอยู่กันชนิดนี้มันเอื้ออำํำนวยต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจ ที่ี่พระโสเก้าว เ, เอาในสมัยนั้นไม่ต้องมาเทศมาพูดมาจามากอย่างทุกวันนี้ก็ปล่อยกันไปตามสบายคนเข้าวัดเขาวานนอนรออาราธนาอยู่ที่วัดคนล้มคนตายเป็นอะไรเข้ามาหาพระเองพระก็ถือคัมภีร์ขึ้นไปอ่านไปเทศให้คนฟังคนสมัยโบราณไม่ได้นังสือจบอก็เตร์ประพิญญาอย่างทุกวันนี้พระพูดอะไรเขาจ ะ, จะว่าสิ่งที่เขาจะได้ยินได้ฟังคือวัดเขาจะมาฟังเทศนิยยชาตกอะไรต่าง พระเจ้าสิบชาติพระเจ้าหาสิบชาติพระเจ้าห้าร้อยชาเขามาฟังเขาก็รู้จักบาปบุญคุณโทษวัดว่าอารามีส่วนขัดเกลากล่อมกาคิดใจให้เยือกเย็นสงบรางับเมตาตาปานีเอื้อเพื่อเผื่อแผ่กลับไปบ้านทางบ้านเมืองพูดอะไรสอนอะไรให้ทำอะไรก็ง่ายในการพัฒนาตัวเขาเองนี่มันเอื้ออานวยกันอย่างนี้ในสมัยโบราณนะทีนี้เมื่อไผ ค, คือการ ความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้ามาในช่วงนี้เราได้ปล่อยปะละเลยประชาชนไม่ค่อยสอนธรรมะลึกซึ้งลงไปจนถึงเรื่องอรยิยสัจสี่พากมัตมองแปดอิทัปปจยาตาตถะตาอะตมาาาามยาตาอะไรต่างๆไม่เคยได้ยินไปเปิดหนังสือใบล้านคมพีต่างๆไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็จะสอนกันเรื่องศีลเรื่องฐานธรรมดาธรรมดาธรรมดา แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันมันเกิดอาการคอนฟ lict ขัดแย้งกันขึ้นมาซะแล้วโมได้พูดย่างเก่ามันก็เอาไม่อยู่ทีนี้พอจะมาพูดถึงเรื่องอาริยะสัตตีเรื่องทษกเรื่องปัญหาเรื่องเหตุที่เกิดปัญหาหนทางดับปัญหาความดับลงของปัญหาต้องอยังนี่ยังนี่ยังนี่โดยปัญญาอันชอบเขาก็เอาไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเขาได้เลิ่งเจ้องเสียนิสัยซะแล้วสมัยก่อนนอกจากไม่สอนอย่างนี้แล้ว ประชาชนยังไงยังไงก็เข้ามาหาพระหาวัดหาวาวันอย่างค้นพระทรงองค์เจ้าที่บวชเข้ามาแล้วไม่เข้าใจหลักธรรมโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตัดเอาไว้ถึงความเสื่อมสาสนาเหตุให้เกิดความเสื่อมสี่ประการนั้นมันก็เข้าเป้าในอนาคตบอกว่าพระรงองค์เจ้าไม่ศึกษาธรรมไม่ศึกษาวินัยโดยถูกต้องแยบพายจับมาผิดผิดก็ไปสอนคนอื่นผิดผิดอย่างนี้ สอพผิดเพื่อเอาลาบเอาสักหละเอามาสู่ตัวอย่างนี้ก็เป็นไปเพื่อความเสติมอันตรธานแห่งพระธรรมต่อมาก็เป็นผู้มากๆอยาใหญ่ว่าอยากสอนอยากเอามาบวชในธรรมริในทอดทุละในวิเวกไม่อบรมกายอบรมสินอบรมจิตอบร ม, ม, มปัญญามีข้อทีสองเหตุให้เติมข้อดีสามผู้ที่จมทรงจําไว้มากๆจําได้อย่างแม่นจําแต่ไม่เอามาสอนคนอื่นเดี๋ยวก็ตายไป นี่ก็เป็นเหตุให้ศาสนาเสบคอที่สี่พระเทละาผู้ใหญ่บวชนานล่วงการผ่านไวเป็นผู้มากมากสะสมเป็นผู้ทอดทุระในวิเวกใหม่พยายามทําความเพียรให้เห็นแจ้งสิ่งที่ยังไม่เห็นแจ้งให้บรรลุทำที่ยังไม่บรรลุเป็นผู้โลภมากสะสมบริคันต่างๆผู้บวชมาสุดท้ายภายหลังก็เอาอย่างสีอันนี้และพระผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าในการก้าวล่วงทําความคิดให้คนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างคมๆอยู่ เราก็ไปเห็นใหนศาสนาคราับเราก็จะเห็นได้ว่าอยู่นี้สไม้โบราณ น, นั้นเมื่อมาถึงอิ่นคนเข้าวัดเข้าวามากๆก็สอนเขาอย่างไงที่ตนเองจะได้ยังไงที่จะถูกใจของเขาโดยมันกำเนิดถึงความถูกต้องเขาก็ทําอย่างนั้นทําตามพระนั่นแหละแต่มาถึงบัดนี้การกระทําเหล่านั้นมันเป็นที่เป็นภัยเรามาสอนกันใหม่มันก็เอากันไม่ได้ เขาไม่กลับเขากลับเห็นมาโว้ยมาสอนอย่างนี้มันกระทิ้งจาริกนี่ของประเพณนนีอันดีงามยกตัวอย่างให้ใคร้นทุกวันนี้เราจะสอนชาวบ้านให้เลิกการเอาบุญการทําบุญชนิดทีข่ขางัวข่าควายอบา ย, ยมุกกินเหล่าเมายาจังนั่งจังมองล้าจังละครมาเล่นในวัดนี่ทําบุญหา้าเสี้แต่ไปซื้อสุราข่าควายกินซะเป็นยี่สิบเป็นร้อยอย่างนี้ทําบุญหา้า สิ่งเปลืองไปกับสุรากับอบายยมุขก็เป็นร้อยอย่างนี่ให้เขาเลิกมาทําบุญเช่นนี้จะเป็นบุญในสาตนามีทานละไม้ขึ้นละไม้ภาวนามัยอบจมกายอบลมศิลอบรมจิตอบรมปัญญาการเสียสละเพิ่มพูนขึ้นอย่างนี้จะดีกว่าการเอาบุญที่มีแต่อบายยมุขเขาก็เห็นเขาบอกว่าแต่พ่อแต่แม่ทํามาแล้วพ่อแม่ทามาแล้วเอาบุญยังไงไม่ได้กินเหล้าเมาหญ้าไม่ได้ฟังมอ้องมอล้วมันจะเป็นบุญยังไง แล้วไปพูดเขาก็เถียงเขาไม่เอาด้วยนต่พันพ์พางก็บอกว่าพระหีบายอย่างฉิมเหีดทิมลองทิ้งแกริดเห็ดของไม่ซื้อพลอยตาวา้อยปูเอาไปน่นตายดปวยคนชั่วไปเลยเราทริงไม่ ห, หมละ่ะเพราะเขาเคยชินกับสาภาพอย่างนี้ซะแล้วจะไปชวนเขากลับคืนมาทันทีมันเป็นไปไม่ได้เอาไปเอามามันก็เหนื่อยกันแหละที่เนี้ย นางนาข้ากตายเป็นคนอัปภีกาและกิจหนิงจังไรไปเลยที่เราจะมาสอนเขาอย่างถูกต้องเลยคเพราะเขาคุ้นเคยกับระบบอย่างนี้สมัยก่อนอาบุญเอาทานนี่ก็ต้องมีหมอลำ ม, มีอะไรหนังตะลงอยู่ในวัดไม่มีใครว่าแต่มันก็ไม่เสียหายสมัยก่อนนั้นเพราะว่าในหนังตะลงในเรื่องหมอลำ ม, มันเป็นมโหสถทางวิญญาณเขาสอน เขาลําเรื่องพระเจ้าห้าร้อยชาพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าห้าสิบชาเรื่องบาปปูนคุณโทษคนฟังและก็เกิดสำนึกอุทาห้อนขึ้นมาพระเอกเป็นฝ่ายธรรมะส่วนยักษ์ฝันมารเป็นฝ่ายอาธรรมอย่างนี้มันก็คุ้นเคยอย่างนั้นพวกหมอลําเอยพวกนังตลุงเอยพวกลิเกละครเอยที่เขาเล่นในวัดโบราณเขาสอนธรรมะกันทางดนตรีทางการบันเทิงทางมหัศพ แ, แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไปจากนั้นมันก็มาเพิ่มพูนกิเลส อยนานี้พอใช้นังออกมาก็แก้ผ้าออกมาหากันแล้วกอดกันโ๊กกันเอ้าแล้วหมอลำมันก็มีลำกันตั้งแต่เรื่องใตไปดื้อนังนั่งเข้ามันจะแก้ผ้าลำทั้งกลางวันยังไงเงี้ยนี่ก็เอาเรื่องราวจากจากจากโบราณว่าพ่อแม่เคยทํามาอย่างนี้จะไม่ทําอย่างนี้มันจะเป็นบุญอย่างไรเราจะไปชี้แจงอย่างไรเขาก็เถียงทีนี้อาอา้าวหัวข้าวควายกินบุญกระถินทีฆ่ากันสิบตัวอย่างนี้ พอมีเงินเข้าวัดสามพันบาทค่าควายสิตัวอย่างนี้มันก็หมดเงินไปแล้วมันกี่หมื่นสี่หมือนห้าหมื่นจากนั่งจากหมอลํรมือมันมันกันเป็ น, 40, 50, น, น, สปนสแสนแต่มีเงินเข้าก็ถึงนสามพันสี่พันบาทเขาก็ถือว่าเป็นบนุญพอเราจะไปพูดอะไรเขาก็ด่าหัวอเอาเองหาววชิงจารีดมีดของจะเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเหรออะไรทับนองนี่เราก็ไม่รู้จะทํำยัำยงไงมันก็สูญเสียดุลยภาพแหละ เพราะว่าได้ได้สอนกันมาอย่างนี้ระบบมันเป็นมาจากนี้เฮ้ในสมัยโบราณพระสอนเองในพระอิสานเนี่ยโอ้ยขาใครข่าหัวขาควายเอาหัวมันลงวัดเด้อเอาหนังมันลงวัดในหัวมันต้องเอาเขาเอาหูมันพับมาตัดหูแค่คอเพราะหูมันก็ยาวนี่ยหูวควายหัวงัวพับลงมามันก็ได้โอ้ยหลายกิโลเป็นเนื้อแค่คอที่หูวขับมาก็เอาไปราดเลือด้อยแสบซกเล็กให้พระกินอยู่วัดโน่นหนักหนักเข้า พระกฤตอนต่อไปว่ามเมเวลาควายตายไปแล้วมันก็ขึ้นไปศาลาพันห้องไปหายมพาบาลยมพาบาลก็จะสอบสวนว่าใครฆ่ามึงก็บอกว่าคนเขาฆ่าไถนางอมงอมอยู่ปอดออกมากระขาดติดเจลแล้วลยมพาบาลก็บอกว่าลองเงียงหูดูสิเยงหัวลงเามันเอียงหูเอียงหัวล ง, น, ง, ง, วลงน้ำไหลเจา อ, ออกจากหูบอกแน่พระท่านตรวจน้ำไม้ทานให้เร็วคนที่เขาฆ่าเขาโ่าลงวัเขาเอาหนังลงวัดไปหุ่มกองเพนเสร็จเรียบร้อย ควายก็ตายฟรีไปคนณข้าก็ได้กินลาบเลือดได้ขึ้นสวรรค์ไปพระก็ได้กินไปมันตัวคุ้นเคยกันอย่างนี้แล้วพอเราจะมาบอกว่าเลิกขา ง, วงขัวขาควายกันได้แล้วจะเอาบุญทีเนี่ยมันชิบหายไว้บอดมันทําลายเสร็แต่เขาก็มาบอกว่าเฮ้เขาเนี่ยเป็นผู้ทําลายประเพณีอันดีงามพราะแม่ทํามาแล้วหลายชั่วโคตรทำไมเราจะมาทำอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าทิมฮีเกาข้องหลังถ้าเป็นภาษาอิ โบราณอีสานเขาก็ทําด้วยกับเราไม่ได้หาเวลาเป็นตัวอั ป, ปีกาลเลย น, นี่จังไรคนเ็สคนขวงเกิดมาชิ่หีดทิมคล้องโเสืพ้อยตาวาหอยปูเข้าไปนั่นเห็นไหมล่ะมัะม่นก็เสร็นนี่คือระบบเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้ไปโทษเขาไม่ระบบมันเป็นมาอย่างนี้สมัยโน้นกับสมัยนู้นมันรักร่ำกันซะแล้วเจตนารม มึงคนละอันกันมันเป็นการรักษาไว้ซึ่งศาสนาวัฒนธรรมในยุคในสมัยซึ่งไม่เหมือนกันมาถึงสมัยนี้จะเอาอยางนั้นไม่ได้เราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงทีนี้เพราะว่าพระสมัยโบ ร, ราณในแถบนี้สอนให้เขาเออกหัวลงวัดเอาหนังลงวัดมาหฮมกองเพทีนี่เขาไม่เอาหัวเอาหนังเขาเอาเนื้อมันนั่นแหละลงมาวัดพระก็ต้องพอ้อยชั้นไปขึ้นเขาเอามานี่เดียวแต่เสร็จแล้วมันทำหลายมากเลย แต่วันนี้จะมีงานมีการบุญหน่อยบุญไงบุญใจบุญตญาได้ยินเสียงเครื่องขยายเสียงขึ้นโอ้ยงัวควายขนหวนลุกเป็นปุ่มะกินกูขาคัดปากมีเจ็บไผได้วจะตายนะมันเป็นอย่างนั้นให้ทำยังไงเ น, น, นี่แล้วจะเห็นว่าระบบพูดถึงตอนนี้มันก็เกิดวิจิตการทางวัฒนธรรมพอเราจะมาสอนว่าเรามาทำบุญกันอย่างถูกต้องแสวงบุญในเขตพุทธศาสนา เลิกได้แล้วสิ่งเหล่านั้นมันเป็นการทําลายเศรษฐกิจแล่สังคมวัฒนธรรมเรากําลังยากลงจนลงคนรวยเขากําลังรวยขึ้นเ้ากำลังนั่งหัวเราะที่จะกินตับกินไปเราอยู่เขากําลังเป็นนิกเรากําลังจะถูกนอกตายเขามันเชื่อเราซะแล้วเขาให้เด็สนุกสนานไปวันวันวัฒนธรรมใหม่ฝลังเข้ามาทับอีสแอนตริงบีเมอรีทูโปโลวีเมได้กินเข้าไปเดิมเข้าไปสนุกสนานะเข้าไปเมื่ออื่นนี้อาจจะตาย แต่เวลามันไม่ตายก็เป็นนี่เป็นสินก็ไปหามาใช้มีดใช้สินหาไม่ได้ทางตรงก็เอาทางอา้อมหาทางอ้อมไม่ได้ก็เอาทางลัดทางอ้อมปเปลนการพ น, นันให้มันเร็วๆเข้าได้ามาทางลัดไม่ได้ก็เป็นลักศกจบห่อขึ้นบมดไม่ได้ดังใจนางนางเข้าเออเอาแลยที่นี่เป็นโประสาต่ำๆเปอๆนี้สิมาเขนผอตายกินยาตา ย, ยมันก็เป็นอย่างนั้นโง่ลงไปยิ่งกว่าสัเป็นอย่างนี้เพราะนั้น มาพูถึงตรงนี้กันนึกถึงว่าเมื่อระบบมันเป็นอย่างนี้มันเคยชินและจะเอากันอย่างทันทีทันใดชักชวนอวดด้านกลับคืนมาไม่ได้ถ้าหากเราไม่ร่วมแรงร่วมใจพูดถึงตรงนี้อาตมานึกถึงนิทานที่คนโบราณพูดเรื่องนางสิบสองคนโบราณว่าอีสามว่าขอบครัวหนึ่ง นั้นมีลูกมากถึงสิบสองคนแล้วก็อดอยากปรึกษากันสองผัวเมียเขาเอ้ยจะมาอึบมาอยากแท้โรกกันหลายกินสัง่งบนเลือกกินเสื้อบวอิอ่มทายังไงเนาะจะเลี้ยงลกูกใหญ่โตมาถ้ามันไม่ได้กินมันจะไปลักศพตกวคอชาวบา้านมั น, นวุ่นวายนี่ฮเราจะทํายังไงสองผัวเมียก็ปรึกษากเอาอางนี้ดีกว่าลิงในป่ามันยัง ไ, ไั้ตายเอาลูกเรานี่ไปโคดเอาไปไปล่อยในป่าลึกป่าติดดงดําพอถึงปีหน้าฟ้าใหม่ มาแล้วสิ่ตอนนะป่าตอนไงเขาไม่ตามมันมาถึงจึงค่อยไปเรียกลูกเรามานี่ฉะนั้นเราก็จะตายไปกับมันเพราะเราก็ไม่มจกินสองพ่อเนี้ก็พาลูกทั้งตาโจงนี่ไปในป่าเอาไปโทษไปปล่อยไว้เอาไปปล่อยไว้ในป่าก็ลักมาให้มันอยู่ในป่าลูกทั้งสิสองคนนี้มันก็ดิ้นรนกินเผือกกินมันกินผลหมากลากไม้ก็มันไปตามเมืองตามเลา่า จนชินจนคุ้นเคยกับสภาพแวนล้อมเป็นอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรพอถึงปีหน้าฟ้าใหม่เอาแล้วที่เนี่ยได้สิตอนหน้าป่าตอนไงเขาไม่ป่ามันมาถึงแล้วคิดถึงลูกเราเหลือกันไปเถอะเท่าเอ้ยไปเรียกหาลูกเราในป่าก็ไปชวนกันไปหาลูกก็เลยไปพบลูกลูกเอ้ยพ่อแม่คิดถึงเลิ่ยเกินกลับบ้านกลับช่องเราเถอะลูก ไปกินข้าวกินปลาสนุกสนานในบ้านในเมืองฟังมอร้องมอลำกันเถอะลูกเอ้ยลูกมาไม่ใจเพราะได้คุ้นเคยกับสบภาพอย่างนั้นซะแล้วลูกก็ บ, บอกว่าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนแขงพ่อหอยปลาขนขาพ่อหอยเขียดคนอยูก่นพ่อเฟียดไส้ไส้ไปน้าเจ้าบ่ได้แล้วเป็นคนปลาคนดองขอกินข้อมันหมากไ ม, กมก้เผื่อมันไปเถอะสิงตอนนะ้ปาปลาตอนไงเขาไม่ปลามันก็กินน้าเจ้าบ่ได้แล้วเมือซ่าพ่อเอ้ยแม่เอ้ย เม <ST IT U K> ื่อแสงลูกนางสิบสองไม่ยอมมาเป็นลูกคนในบ้านกลายเป็นหลิงเป็นข้างไปเลยเดี๋ยวนี้พระทรงองค์เ้าเหมือนพ่อเหมือนแม่แตัยมโบราณปล่อยลูกปล้านไปตามเรื่องมัจุให้เขาข่าวงัวข่าวควายเอาหนังลงวัดเอาหวัวลงวัดหลังจากนั้นก็เอาเนื้อมันลงวัดลาบให้พระกินแล้วก็หลังจากนั้นก็บอกว่าตายไปแล้ว ง, งัวควายจะปเป็นเหยื่อหูน้ําไหลจอกมึงก็แต่บุญควายก็ตายฟรีไปไม่เป็นไรจงทําอย่างนั้น ที่นี่มันมันก็เลยติดนิดสัยลูกของนางสิบสองพอมาถึงยุคนี้เราจะมาสอนใหม่มันไม่ดีการทําลายเศรษฐกิจสังคมงอค ว, วายเป็นสัตว์มีบุญมีคุณไท่ไร่ไถ่านานจะใจเจอือใจดําฆ่าแม้จะสัตว์มีคุณใหญ่ๆได้ต่อไปก็จะฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาเลิกกันเถอะอย่าเลยอย่าคิดเหล้าเมายาเลยอย่าหาหมอรองหมอลำมาเล่นกันในวัดในวาบุญให้เป็นความสะอาดสว่างสงบเถอะเขามาไม่ได้เขารับไม่ได้เขาบอกว่านี่มัน ทิ้งตของประเพณีเขาเคยกับสังคมอย่างนี้ประเพณีอย่างนี้ระบบอย่างนี้มันก็เหมือนลูกนางสิบสองไม่ยอมกลับมากินข้าวกินปลากันอีกแล้วมีเรื่องหนึ่งละ่ะจะไปโทษใครก็ต้องโทษระบบตั้งแต่เก่าๆ่านมาที่นี้จะแก้ไขได้ไม่ได้ทําไมจะไม่ได้พอมาพูดถึงอย่างนี้ก็มันนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งนางโมราจันทโครพบนางโมรานั้นไม่ใช่เป็นคนชั่วช้า สารเลวมาแต่กำเนิดแต่เนื่องจากว่านางโมราไม่มีใครสอนใครแลเป็นคนสร้างนางโมราว่าว่าฤาษีสร้างนางโมราขึ้นมาปั้นดีดีดเสกขึ้นมาให้สวยงามแล้วก็ใสไว้ในพระอกมอบให้เท้าจันทโครลบถือกลับบ้านบอกว่าอย่าเปิดตามทางนะไปถึงบ้านจึงเปิดพอไปถึงทางทางจันทโครล บ, บอกมันอาใบไวอยู่ในพระอบนี่มันหนักหนักอยากจะดูแลเกินขอเปิดดูสักหน่อยลิบเล่ พอเปิดขึ้นมาก็เห็นนางนอนยิ้มเพลิตาหวานเจิมอยู่ในผ้าอบนั้นแหมอย่างนี้จะเปิดมันทําไมละ่ะลับลับละหลอก็เปิดมันหมดก็เลยเป็นยังไงไยเปิดมานางนี่ก็ชอบนุกชอบใจพอใจจนทั้งคอแลพี่จ๋าเย่อรักทุนหัวในที่สุดก็เป็นเมียผัวล่มตายจมหวดนั้นต่อมาอีกก็ไปเจอโจรไปเจอโจรก็โจรก็เห็นว่านางนี่สวยแล้วนางนี่ก็ทําตาหวานใส่โจรอีกไงเห็นไหมละ่ะ เต่ความรู้สึกเอนเตอร์เทนเมนต์ไปอีกแล้วกับจอนในที่สุดก็เกิดการต่อสู้ราวีตีฆ่ากันขึ้นระหว่างผัวกับจอนผ้านุ่งหลุดล่อยกว่าเห็นเอาไว้เยว่าของจจรเอเนี่ยมันดีกว่าของเก่าเราก็เอาดาบให้จอนเตินฆ่าผัวติรนเองก็เป็นเมียจอนต่อไปนี่คืออะไรจะถือว่านางโมรานิชั่วช้าสารเลวมาก็ไม่ได้ควรจะโทษลือีมากกว่า พอลือสีสร้างนางโมรามาทำไมเอ๋สีสร้างปั้นนางโมร่าให้สวยสดงดงามขึ้นมาได้แต่ทำไมไม่สอนทำมาให้แก่โมร่าลูกเอ๋ยโมลาลูกพอ่อขอรักเก้วอย่างน้นอย่างนี้ลูกอย่าใจง่ายอย่าชอบใครง่ายๆนะลูกนะให้เข้าตามต่อออกตามประ ต, ต, ตูรักงูนสะหวนตัวใครมาขอมาจีบอะไรง่ายเธออย่า ใจเร็วด่วนได้อยังมัวแก้ผ้าเร็วๆนะลูกก็สอนเตี้ให้มีจริยธรรมอดกันอดทนนี่ไม่เอาสร้างนาโมราขึ้นมาแล้วไม่สอนธรรมะให้แก่โมลาเลยแต่กลับเอาไปมอบให้จันทโครลบแล้วเปาะไม่สอนจันทโรลบเพียงแต่บอกว่าอย่าเปิดตามทางเท่านั้นในที่สุดมันก็เป็นอย่างนี้หมายเขาว่าพระรงองค์เจ้าของเราไม่ได้สอนธรรมะอย่างถูกต้องดีงา ม, มาแล้วจะให้ชาวบ้านก็เป็นคนดีมา พอถึงเวลาเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเดือดร้อนพุ่นวายขาดสิงกาดทำเอาแล้วทีนี้จะมาให้เป็นแผนดินทำเป็นดินทองเอาห อ, อมกระพือกเข้าเหมือนไฟไม่ฟงังปีเดียวเลิกเลยมันก็เสร็จเองมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าเป็นลือศีเหมือนโมราเลยอย่าเป็นพ่อแม่นางสืบต่องเลยมาช่วยกันการช่วยกันในสมัยนี้พระเอาไม่โยดดอกต้องช่วยกันทั้งทางบ้านทางเมืองทีนี้มันก็มีปัญหาว่าการพัฒนานั้นมันไม่สมดุลกันไม่สมดุลกันเลย ถึงจะเร่งรัดทุ่มเทด้วยเงินด้วยทองยังไงมันก็ไม่สมดุลเพราะว่าถ้าจะพัฒนาชาวบ้านต้องพัฒนาข้าราชการพัฒนาตัง้งแต่รัฐบาลรัฐมนตรีล ง, งมาเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้นําทางชุมชนถ้าพัฒนาบุคคลเหล่านี้บุคคลเหล่านี้จะมาพัฒนาบุคคลอื่นโดยเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมจัดสภาพเป็นอยู่จัดสภาพชุมชนอย่ากจะให้ชาวบ้านเลิกโซ บ, บูรีเลิกกินเหล้าเลิกเล่น ก, การพนันมันไม่ยาก รัฐบาลเลิกออกหวยมารัฐบาลเลิกลงเหล่าลงยามาเอาสิกล้าทํำไหมล่ะทีนี่นี่ต้องเข้าใจกันต้องเข้าใจกันเดียวนี้พัฒนาของเรามันเร่งรัดท่วมเทกันอยู่ในเวลานี้มีลักษณะที่น่าจะเป็นการจับจุดไม่ค่อยถูกคือการพัฒนาสังคมในการพัฒนาสังคมนัน่ะไม่แต่ชนนบส์เราต้องพัฒนาให้เขาพึ่งตนเองได้การที่จะให้เขาพึ่งตนเองได้่ยต้องจับจดให้ถูกจุดที่จะพึ่งตนเองได้ก็คือองค์ประกอบต่งตางๆ ของชุมชนนั้นจะต้องได้รับการพัฒนาให้เจริญไปด้วยกันเพราะการที่จะพึ่งตนเองได้นั้นเขาจะต้องเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกันหมายความว่าจะต้องพึ่งซึ่งกันและกันการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้นก็ไม่ใช่ว่าพึ่งตลอดนะก็พึ่งตนเองการพึ่งตนเองนั้นก็ต้องให้คนอื่นพึ่งเราเราก็พึ่งคนอื่นด้วยมันจึงจะเกื้อกูลกันพระพึ่งรัฐบาลรัฐบาลพึ่งนั่นก็พะแล้วทั้งสองก็จะรวมกันเป็นการพึ่งตนเองนี่เป็นอย่างนี้ ถ้าองค์ประกอบของสังคมหรือชุมชนแต่ละส่วนแต่ละองค์ประกอบจะเพิ่มขึ้นมาด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแอบอิงอาศัยกันไปมันก็พึ่งตนเองได้พึ่งองค์กรของตนเองพึ่งประเทศชาติของตนเองได้เดียวนี้แต่มาสอนให้พึ่งตนเองแต่ไม่รู้จักสอนให้แอบอิงอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันมันก็เหมือนปากกับฟันเหมือนกับลิ้นที่ดุนอาหารให้เขาวันเคี้ยวถ้าลิ้นไม่ดุนเข้าไปแขวมันจะเป็นอย่ำมได้จังดีไม่รู้องอาศัยกันนี่ทํา เดีย๋ยนี้อามวัวทำโจทย์แต่ที่ใดที่หนึ่งบ้านจุดจะมวัวพัฒนาบ้านโน่นแผ่นดินทำบ้านนี้แผ่นดินทำแต่ยังอีกหลายหมื่นหมู่บ้านในพัฒนาโดยเฉพาะตัวรัฐบาลตัวรัฐมนตรีข้าราชการใหญ่ๆ ย, ย, ยังไม่แผ่นดินทำกับเรามันก็เกิดอาการรักแร้ตับทํำให้เกิดปัญหามากขึ้นยกตัวอย่างเช่นองค์ประกอบข อ, องชุมชนในชนบทไทยของเราเนี่ยมีทั้งทางการศึกษาได้แก่โรงเรียนทางด้านประชาชนได้แก่บ้านทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมได้แก่วัด บ้านวัดโรงเรียนองค์ประกอบสามอันนี้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันแม้ว่าเราจะพัฒนาประเทศชาติไปได้มากมายแต่สําหรับในชุมชนชนบทแล้วพระก็ยังเป็นผู้นําอันดับหนึ่งของชุมชนอยู่นั่นเองยังเป็นบุคคลที่หนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อฟังส่วนข้าราชการนั้นมันมันย้ายมันทายมันเทได้มีผู้กระเบืรู้เรื่องกับชาวบ้านบางทีย้ายจากปักไตามาอีสานจากอีสานไปปักไตผูกกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้ จะไว้ใจกันได้สักแค่ไหนใกล้พิษแนบเนียนกันแค่ไหนนี่เราจะต้องรู้จักอย่างนี้ว่าเดีย๋ยวนี้พระยังเป็นผู้นําทางชาวบ้านเพราะว่าพระเป็นคนท้องถิน่นและไม่ได้ย้ายไปไหนไม่มีใครมา ย, าย้ายพระท่านไม่อยากย้ายไปเงีงถ้าเราไม่พัฒนาทางฝ่ายวัดให้กลมคืนพร้อมเพียงกันกลับบ้านและโรงเรียนแล้วเราจะประสบปัญหาครูก็ไม่ค่อยจะย้า ย, ายส่วนครูท้องถิน่นครูภาคใต้ย้ายคืนปาคใต้ครูภาคอีสานก็จะขอเรื่องย้ายคืนมานี่ครูนี่ก็ยังอยู่กับบ้านของตอนเอง ครูกับพระน่ควรจะรู้จักกันมากๆใกล้ชิดกันเราก็จะแก้ปัญหาได้เพฉะนั้นเราจะประสบปัญหาเช่นว่าราชการอาจจะขอให้ชาวบ้านพัฒนานั่นพัฒนานี่แต่ทางวัดหลวงพ่อจะอว่าก็มาเร่งรัดให้ชาวบ้านมาช่วยสร้างกำแพงมาช่วยสร้างเมนวัดซะก่อนมันก็ขัดกันไปคนละทิศคนละทางพระก็เป็นผู้นำชาวบ้านในเมื่อไม่รู้กันไม่เข้าใจกันก็ไม่มีความประสานกลมเกลืนกันปัญหามันก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าเราไม่ไดี รู้จักาการจับจทยองค์การแห่งการพัฒนาของชุมชนองค์ประกอบเอามันต้องพัฒนาให้เคียงข้างที่อาศัยซึ่งแต่ละกันทีนี้ต่อไปก็ข้าราชการกับราษฎรปรากฏว่ามันมีช่องว่างห่างไกลกันมากโดยเฉพาะข้าราชการระดับบริหาร น, นั้นในสภาพสังคมของเราที่พัฒนากันมาส่วนมากข้าราชการระดับบริหารเป็นผู้มีพื้นเพภูมิหลังต่างยากชาวบ้านทั้งโดยชาติตำเนอรถิ่นฐานบ้านช่อง ข้าราชาการผู้ลักผู้ใหญ่เกิดดูในเมืองในตลาดอาการศึกษาอะไรต่ออะไรก็เดิรับมาแบบในเมืองแบบตลาดแบบต่างประเทศเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาว่าข้าราชาการกับราชฎรมักจะสื่อสารกันยากทั้งภาษาและความรู้คนนึงพูดภาษาไทยคนนึงพูดภาษาลา พ, พพพพ า, าพูดภาษาภาษาผู้ไทยภาษาย่อมันยังพูดกันไม่สนิทอะไม่เข้าใจภาษาและความรู้ความคิดก่อห่างไกลกัน ขูกันไม่ค่อยเข้าใจซึ่งก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนายิ่งในระยะที่เราต้องอาศัยในการเร่งรัดต้องการเร่งและพัฒนาประเทศชาติด้วยการที่จะให้ข้าราชการมานำประชาชนให้พัฒนาไปได้เมื่อเกิด อ, อุปสรรคข้อ น, นี้แล้วก็เป็นไปได้ยากที่ข้าราชการจะพาประชาชนพัฒนาไปทีนี้ฝ่ายบ้านเมืองกับฝ่ายาศาสนาก็มีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกัน เกี่ยวข้องกันแต่ในพิธีกรรมเท่านั้นพอพิธีกรรมอ้าวคนนั้นมาจุดทูบจุดเทียนพอป ะ, ะเทศนายฟังไปจ่อยไม่ได้รู้เรื่องกันเลยเนี่ยผู้บริหารประเทศไม่ค่อยรู้เรื่องวัดไม่เข้าใจศาสนาและกิจการศาสนาว่าเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าต่างจากสมัยราชาธิปไตยในจะไม่ยพระเจ้าแผ่นดินเป็นใจนั้นพระองค์มักจะรู้ จ, กจักกิจการศาสนาเป็นอย่างดีง เข้าไปเกี่ยวข้องตับพระกับเจ้ามีความสนิทสนมกับพระทั้งในทางส่วนของพระองค์และชีวิตประจบวันและในด้านกิจการของพระศาสนารู้และเข้าใจกันเป็นอย่างดีฉะนั้นก็ได้ประโยชน์จากองค์ประกอบต่างๆที่เอามาเชื่อมโยงกันในการพัฒนาประเทศชาติได้เป็นอย่างมากเลทเดียวพระยังเป็นผู้นาที่โยงเมืองกับชนบทได้ และก็มีส่วนที่จะเข้าถึงชนบทได้อย่างเต็มที่แมในปัจจุบันนี้แต่ในเมื่อทางฝ่ายรัฐบาลในปัจจุบันนี้เรามีปัญหาที่ว่าข้าราชการกับชุมชนชนบทนั้นไม่เข้ากันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้จักชนบทดูแ ล, แล้วแล้วยิ่งมาห่างจากพระอย่างนี้อีกก็เลยยิ่งมีโอกาสน้อยที่จะเข้าถึงชุมชนเข้าถึงชนบทย้ายมาจะมาหางจากพระคนที่รู้จักชุมชนรู้จักชนบทดีคือผ้าทรงองค์เจ้าท่านไม่ได้ย้ายไปไหนท่านอยู่ตรงนั้น แล้วมาถึงก็มาห่างไกลกับพระอีกนมันก็จะแยกเอาไปเอามายิ่งเข้ากันไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าเป็นคนประหลาดกันไปนเลยอย่างนี้ก็เลยไปกันใดญการสื่อสารระหว่างพระกับทางบ้านเมืองหรือผู้บริหารประเทศชาติเองก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจกันอันนี้ก็นับว่าเป็นปัญหาที่เกิดมาจากการพัฒนาที่ไม่ประสานกลมเกลืนกันในด้านวัฒนธรรมนี่เป็นอย่างเงี้เพราะเหตุ น, นั้นมันจะต้องมาพิจารณากันให้เดีว่าจะต้องช่วยกันประสานกลมเกลืนกัน ทางบ้านทางเมืองทางราชการเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพเป็นอยู่สภาพชุมชนทำยังไงชุมชนจึงจะไม่จิตแตใจเพก็มาช่วยกันจัดทำยังไงอบายยมุกจะหมดสิ้นไปทางบ้านเมืองจัดสภาพแวดล้อมอย่าเอาเลขมาขายให้เขาอย่าออกหวยมาดุบเลอะรัตตีได้และทางพระสงฆ์องค์เจ้าก็ช่วยกันเทศช่วยกันแนะนาทางภายในจิตใจพาเข้าพัฒนา รู้จะพึ่งพาอาศัยจิตใจตนเองพัฒนาได้แล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสุดท้ายก็มารวมเป็นกัดพึ่งตนเองในจุบชนของตนเองช่วยกันควบคุมพวกสื่อสารเครื่องบันเทิงอะไรต่างๆที่จะมายั่วยอมหมอบเมาจิตใจที่จะทําลายจิตใจให้จิตแตกใเพ่ทางข้าราชการมีอํานาจเต็มที่กองบวงกอบบออะไรมีแค่ช่วยกันเพื่อจะให้จิตใจของมวลชนทั้งหลายเนี่ย ไม่เล่าร้อนด้วยสิ่งเหล่านั้นเมื่อจะสภาพแวดล้อมดีแล้วทีนี้สภาพเป็นโยก็จะดีขึ้นและสภาพจิตใจภายในก็จะถูกอาบรสื่อซ่านด้วยศีลด้วยธรรมเอาศีนเอาธรรมเข้าไปก็ง่ายขึ้นเพราะจิตใจมันอ่อนโยนถูกง่ายๆมันก็เหมือนกับปลูกต้นไม้การจะสภาพแวดล้อมกับจัดสภาพเป็นอยู่ก็คือการขางพวกว่าจะพืชอะไรตัวอะไรออกไปให้หมดสก่อน แล้วก็มาพัฒนาโดยการขุดดินพวนดินกําจัดพวกโรคที่จะมีอยู่ในดินนั้นนี่คือการพัฒนาภายนอกทีนี้พัฒนาภายในยก็เอ า, มาเมล็ดพืชใส่ลงไปรดน้ําให้ปุ๋ยตามโอกาสนี่คือการพัฒนาภายในของตัวพืชเองพืชก็จะเจริญงอกงามนี่ต้องการจะปลูกพืชที่ดีปักกอกไม่ทั้ง ว่าจะพืช อ, อะไรโรคกลุงรังก็ปลูกลงไปปลูกแฟมลงมันมันก็เติบการขัดแย้งว่ามันสู้ยาไม่ได้มันก็ตายเท่านั้นเหมือนกับแผ่นดินทําแผ่นดินทองต้องการจะให้มีแผ่นดินทําผปนดินทองแต่คนไม่ช่วยกันจัดสภาพภายนอกโดยเฉพาะส่วนทางราชสการ์ซึ่งมีอำนาจมากมีราชการวันเสาร์ันอาทิตไปกินเหล้าเมายาสมเมเลเทเมา อ, อยู่ในคลับในบาทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยเป็นนี่เป็นสิ่งหนึ่งล้วนแต่ข้าราชการท่านานั่นแล้วใครจะ เป็นตัวอย่างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชบ้านเมืองอูเย็นเป็นสุ ข, ข้าราชการเป็นพี่เลี้ยงของราัฎรประชาชนทั้งหมดนั่นก็เหมือนน้องน้อยที่ข้าราชการอบอโอบกุ้มเลี้ยงดูส่วนพระเจ้าแผ่นดินเหมือนพ่อท่านกล่าวว่าให้ราชการทั้งหลายเป็นพี่เลี้ยงของประชาชนพระทรงในความประชาชนทั้งหลายที่เกิดมาในแผ่นดินในแว่นแขวนข อ, ของข้าเป็นลูกของข้าถุกคนจะต้องขึ้นสวรรค์ไม่ตกนรก หลังจาก น, นั้นท่านก็ออกกฎไม้มามีพวกธรรมะมหาอ ม, มาตย์อ ม, มาตยฝ่ายทำไปเที่ยวสั่งสอนประชาชนแล้วก็ตอกย้ำเขียนคำสั่งสอน28องค์การใส่ในหลักศิลาจารึกลูกสิษงโตยืนพังงาไปเที่ยวตอ่อทั่วอาณาจักรอันไพศาลประกาศให้งดเลิกพวกกิจกรรมการละเล่นเครื่องบันเทิงต่างๆพวกจัมมะชายาพวกเงาหนังหนังตลุงสมัยก่อนเขาเล่นกันเรื่องภาพ กองทัพช้างกองทัพมา้าภาพเผาบ้านเผาเมืองภาพเข็นฆ่าพูดง่ายเรื่องสงครามจากัจกจักรงวงพระเจ้าอาส่งสั่งเลิกเลิกเล่นกันได้อย่างนี้มันทําให้จิตใจคนฮึกเหิมอยากจะเข็นอยากจะฆ่ากันอยากจะมีความเป็นใหญ่เป็นโตมันต้องมาเปลี่ยนใหม่ท่านบอกว่าภาพอบเพลิงที่ชูคบเพลิงที่ยวเผาบ้านเผาเมืองในจัมมะชายาภาพกองทัพช้างกองทัพมา้าที่เข็นฆ่ากันงด พระเจ้าโยู่หัวปิยะทัศนีผูกเป็นที่รักของปัวเทพประกาศออกมาให้เล่นใหม่เล่นอะไรเล่นภาพความเมตตาปานีความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันความเคารพเชื่อฟังพ่อแม่เอื้อเื้อสมณะพามเชื่อฟังครูบาอาจารย์ความอ่อนน้อมถ่อมตนจงเล่นอย่างนี้จงแสดงอย่างนี้อย่างนี้มีไหมละ่ะในหนังเราในละครเราในทีวีของเราช่องไหนบ้างที่ทําอย่างนี้ สอนแต่เรื่องดีๆเอาแต่นั้งเรื่องยอมได้ให้อภัยได้อดทนได้เดี๋ยวนี้ยอมใครไหมครับเห็นความอดทนเป็นความพ่ายแพ้ทรงเฟิร์มกิเลสทั้งประเภทราคะโทสะโมหะดังกล่าวแล้วมันก็ยิ่งโหอมกระเพือกใหญ่สภาพแวดล้อมเป็นพิษเหมือนจะปลูกไม้ลงในกลุ่มยากเราจะปลูกพืชที่เรารักเราปาัตนะต้องการหมากต้องการผลแต่เราไม่ทําลายว่าจะพืชอื่นไปก่อนอย่างนี้มันก็เสร็จเลยเพราะเหตุ น, นั้น หางบ้านเบืองแกต้องเข้ามาช่วยจัดสภาพแวดล้อมให้ดีงามการที่จะมาทําทันดินทําปดินทองโดยให้พระกับคนสองสามยิบมือเนี่ยตายเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์เลยหมดสิ้นกันไปเปล่าๆถ้าอยากได้ผลเร็วก็ต้องทํากันอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านสรุปว่าคุณนันเจตระมานาณังอุชุงคัจฉิตปงคาวสภาตาอุชุงคัจติเนกเจอุชุงคัเตสติเอวะเมวะมนุษเ์สุโยหุติเศรษฐะสมมต๊ โซเจธมิกังจรติปะเควัอิตราประชาสพังรัฐถังสุขขังเซติราชาเจหูติธมิโกเมื่อฝงโคข้ามไปแล้วหัวหน้าโคมันข้ามไปก่อนหัวหน้ามันไปตรงตร ง, ตร ง, ตรงลูกฝงมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่สูขสมมติเป็นหัวหน้าเป็นพระราชการเป็นผู้รักผู้ใหญ่ไปตรงตั้งอยู่ในสินในธรรมมหาชนทั้งหลายก็ย่อมตั้งอยู่ในสินในธรรมสพังรัฐถังสุขขังเซติราชาเจหูติธมิโก เว้นแขวนรัดทั้งหลายย่อมประสบกับความโศกเมื่อหัวหน้าตั้งอยู่ในธรรมลูกน้องก็จะต้องตั้งอยู่ในธรรมในขณะเดียวกันตรงกันข้ามเมือ่อฝงโคห้ามไปแล้วหัวหน้าโคไปคตลูกฝงมันก็ไปคดในโมมนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าคตไม่ตั้งอยู่ในเส้นในธรรมพระชาชนทั้งหลายก็เป็นผู้ไม่อยู่ในเส้นในธรรมวัฒนธรรมก็เกิดวิกิฏฐาร หลังจากนั้นก็สับพังรักถังทุกถังเสติรักทังหลายแว่นแหวนทังหลาย